วันอาทิตย์ที่22ตุลาคม2568เป็นการบรรยายพระสูตรโดยสายุตานุกายด้วยผู้ที่สัตย์ทางท่านสาธุชนที่เคารพการบรรยายพระสูตรในครั้งนี้จะอธิบายพระสูตรที่เราได้พูดกันมาสองครั้งแล้วนะครับคือสูตรที่สามที่มีชื่อว่าอุ ป, ปนิสสาสูตรได้อธิบายมาโดยลําดับจนถึงหัวข้อเชื่อมต่อ ระหว่างเหตุกับผลในส่วนที่ปรากฏอยู่ในข้อที่สิบว่าเรากล่าวแม้ซึ่งความประมดว่ามีเหตุที่อิงอาศัยมิได้กล่าวว่าไม่มีเหตุที่อิงอาศัยก็อะไรเล่าเป็นเหตุที่เิงอาศัยแห่งความประมทควรกล่าวว่าศรัทธาอ่อันนี้พูดแล้วแล้วก็สือต่อไปสิบเอ็ดเรากล่าวแม้ซึ่งความศรัทธาว่า มีเหตุที่อิงอาศัยมิได้กล่าวว่าไม่มีเหตุที่อิงอาศัยก็อะไรเล่าเป็นเหตุที่อิงอาศัยแห่งศรัทธาควรกล่าวว่าทุกข์แล้วก็ได้เติมความว่าวัตรทุกข์นี่ไม่ใช่เป็นคาแปลแต่ให้ความหมายข้อนี้นะครับที่เป็นข้อที่กล่าวว่าเป็นเรื่องที่น่าสงสยัยเพเวลาที่เราพูดถึงศรัทธาเนี่ยคือความเชื่อ ก็แน่และมาบุคคลมีความเชื่อทำให้เกิดความแช่มชื่นใจเป็นผลต่อเนื่องอย่างที่เราเข้าใจได้ในทางประสบการณ์ว่าเวลาที่เราอ่านหนังสือประวัติของพระเกิดศรัทธาก็ได้ความแช่มชื่นใจทีนี้เหตุเกิดของศรัทธาเนี่ยทาไมในสูตรนี้จึงไปพูดว่าทุกทําไมไม่พูดว่าศรัทธาในพระพุทธหรือศรัทธาในพระสงฆ์ หรือศรัทธาในพระธรรมอย่างที่เราปราลบกันถึงเรื่องของศรัทธาซึ่งเป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็นสัตยยวัตถุคือเป็นที่ตั้งแห่งความศรัทธาที่เป็นเรื่องของความดีๆงามๆก็น่าจะเป็นในลักษณะอย่างนั้นแต่ในนี้กลายเป็นว่าศรัทธานั้นเกิดจากทุกขข้อนี้นะก็จะต้องตอบว่าศรัทธานั้นเกิดจากอารมณ์หลายประเภทคือศรัทธาอันหนึ่ง เป็นศรัทธาในลักษณะที่เรียกว่าเชื่อถือเป็นลักษณะในรู่ของความเชื่อถือในตัวบุคคลที่มีความดีเป็นหลักอีกอย่างหนึ่งคือความเชื่อถือในทางข้อเท็จจริงในทางหลักการนะฮก็พูดซะเป็นตัวอย่างเราๆให้เห็นชัดก็จะไม่มาแจงแล้วว่าศรัทธามีศรัทธาในอะไรบ้างที่ได้พูดในทางหลักขอพกไว้เป็น เมื่อเราพูดถึงศรัทธาเจตสิกจะพูดโดยพิจารณาทั้งหมดดีๆที่เราเคยได้ยินเช่นศรัทธาในบุคคลนะบุคคลเนี่ยศรัทธาเพราะรูปบางเรียกว่ารู้ประมาณณศสัทธาศรัทธาในเพราะรูปศรัทธาในเพราะเสียงศรัทธาในเพราะความประพฤติชาวหมองต่างๆหรือศรัทธาในคุณของท่านธรรมะประมาณนัสัทธาเนี่ยคือการศรัทธาในตัวบุคคล ก็เป็นเรื่องของความดีนะโดยง่ายเป็นเรื่องของความดีปกติอย่างความเศร้าหมองเนี่ยเราก็ถือว่าถ้าคนทำอะไรที่เป็นของเศร้าหมองๆอย่างธรรมดาก็ไม่ดีแต่เมื่อเป็นความเศร้าหมองที่บุคคลประพฤติอย่างคนที่มีคุณธรรมก็กลายเป็นอุปกรณ์ของความดีหรือพฤติกรรมของความดีไปอันนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับบุคคลทีนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับหลักการ ท่านก็กล่าวว่าศรัท ธ, ธาว่ากรรมมีที่เรียกว่าเชื่อกรระได้ยินใช่ไหมฮะวิบากของกรรมมีศรัท ธ, ธาคือเชื่อว่าสัตว์ตายแล้วเกิดมีที่ปรากฏอยู่ในทิฏฐิวัดทิฏฐิสมบัติสิศรัท ธ, ธาที่เกิดกบทิฏฐิสมบัติสิว่าพ่อแม่มีบุญคุณชาตินี้มีชาติหน้ามีานั่นแหละครับ แต่ว่าในที่นี้ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติกรรมฐานอย่างในสูตรนี้ท่านกําลังจะพูดถึงหัวเลี้ยวหัวต่อศรัทธาเนี่ยตัวศรัทธาที่กล่าวถึงในที่นี้ไม่ใช่เป็นตัวภาวนานะตัวปราโมทที่พูดถึงไล่ขึ้นไปกระทั่งถึงวิมุตในข้อตน้ตนเป็นกระบวนการของการปฏิบัติ และถอยจากศรัทธาลงมาคือทุกข์ทุกข์นี่ปฏิบัติหรือเป่าเป็นตัวปฏิบัติหรเปล่าไม่ใช่เป็นตัวปฏิบัติเป็นตัวปัญหานะชาติเป็นตัวปฏิบัติไหมไม่ใช่ปฏิบัติเป็นตัวปัญหาก็หมายความว่าในสูตรนี้แสดงลูกโซ่อยู่สอ ง, ส, อ ง, ส, องสายนะสายหนึ่งที่แสดงก่อนในเบื้องต้นเป็นลูกโซ่แห่งวิวัตต์ แล้วก็อีกสายหนึ่งที่อยู่หลังศรัท ธ, ธาลงมาเป็นลูกโซ่แห่งวัตตะหรือสังสารวัตรมีอวิชชาเป็นที่สุดแล้วก็มีชาติมีทุก์นะเป็นเป็นเบื้องต้นที่แสดงก่อนถัดจากตาไปเพราะนั้นศรัท ธ, ธานี่แหละครับจึงเป็นตัวหัวเลี้ยวหัวต่อเป็นว่าโดยธรรมดาของเราเนี่ย เรากำลังอยู่หรือมีปกติอยู่กับลูกโซ่ห่วงไหนในสองห่วงนี้วัตตะหรือวิวัตตาวัตตะใช่ไหมฮะคนที่เป็นพระอริยะคือผู้ที่ได้เดินเข้าไปสู่ลูกโซ่แห่งวิวัตตาแล้วอดีตของท่านท่านมาจากลูกโซ่ห่วงไหนก็วัตตะ นั้นท่านจึงบอกว่าท่านเหล่านี้นะ่ะความจริงก็มาจากปุตุชนผู้ไม่ได้สดับเมื่อเป็นปุตุชนผู้ไม่ได้สดับก็มีอวิชชาเมื่อมีอวิชชาก็มีวิชาครอบงําเพราะไม่ได้ฟังธรรมะไม่ได้พบบัณฑิตไม่ได้พบกัลยาณมิตรไม่ได้พบสัตรบุรุษไม่ได้ปฏิบัติตามธรรมของสัตรบุรุษก็เกิดสังขารเกิดกระบวนการวงวนอยู่อย่างนั้น วนอยู่อย่างนั้นนะครับมันไม่ได้แปลมันไม่มาถึงสัทธาสักทีไงหรือมีศรัทธาแต่ไอศรัทธานั้นไม่ได้มาไม่ได้เป็นศรัทธาพิเศษคือศรัทธาที่ดึงออกนอกวังวนของสังสารวัฏของของของวัตถอย่างเช่นศรัทธาของของคนทั้งหลายเนี่ยที่มันเกิดพระอวิชชาที่เรียกว่าสังขารทังการันก็มีกุศลใช่ไหมล่ะคุญยาพิสังขาร อวิชชาทำให้เกิดและไอ้ไอ้ไอ้สังขารพวกนั้นมันกลายเป็นไอ้กุศลที่เรียกว่าวัตคามินีกุศลศรัทธาที่เป็นวัตคามินีศรัทธาไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยดึงผู้นั้นออกไปสู่ลูกโซของวิวัตถ์คนที่ยุ่งเกี่ยวอยู่กับการ ทำกุศลสาธารณประโยชน์เขามีศรัทธาไหมอนันี้คำจะพูดต่อไปนี้ไม่พูดดีกว่ า, าจะมอกให้ที่จะหาว่าเข้าไปนิพพานไม่ได้ <c oughs> ก็มีศรัทธาเราทำบุญทำกุศลเกิดกุศลสิ่งละอันลาน้อยในชีวิตของเราเนี่ยก็เป็นคนมีศรัทธาแต่ศรัทธาเหล่านั้นเป็นวัดตคกามีนีศรัทธาเมื่อเกิด ศรัทธาที่อยู่ในเปลาะของสังขารเนื่องจากก็เป็นวัตคามินีก็ทำให้เกิดการเวียนว่ายแต่เกิดเกิดวิญญาณวังวนก็อยู่อย่างนั้นแต่ศรัทธาที่พระเจ้าทรงสแสดงตรงนี้ท่านหมายถึงที่เป็นศรัทธาที่เป็นตัวปฏิวัติปฏิวัติบุคคลนั้นจากสังสารวัตรมาสู่วิวัตตะจึงต้องมีลักษณะพิเศษว่าศรัทธาตรงนั้นต้องเป็นศรัทธาอะไร ท่านจึงไขเอาไว้ชัดเลยว่าหมายถึงศรัทธาในวัตตระพอพูดว่าศรัทธาในวัดตระเนี่ยมันหมายว่าคนศรัทธาในวัดตระต้องไปบูชาวัตตะจุดทูปจูดเทียนบูชาวัดตะเจริญลอยตามวัดตะหรือเหมือนอย่างเราศรัทธาพระพุทธเจ้าหรือศรัทธาพระองค์ใดองค์หนึ่งศรัทธาทำคุณตามข้อใดข้อหนึ่ง เราก็ทําความเคารพนอบน้อมแล้วก็ทําความปรารถนาอยากอย่าให้ตัวเราเองเนี่ยเป็นเช่นบุคคลนั้นได้จะเดินคุณธรรมเหล่านั้นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ใช่ศรัทธาคือความเชื่อที่เกิดกับสิ่งที่เป็นไผ่เป็นลกเนี่ยเชื่อแล้วนายแหนง่งเหมือนกับว่าเราเนี่ยเชื่อว่ากรรมมีวิบากมี แล้วก็กรรมมีสองอย่างกุศลกรรมอักุศลกรรมความเชื่อที่มีต่อกุศลกรรมไม่ใช่เชื่อแล้วก็จเจริญกุศลกรรมกุศลกรรมให้มากขึ้นไม่ใช่อย่างนั้นกิจของความเชื่อที่มีต่ออารมณ์ใดควรละควรเบื่อหน่ายก็ทําการละทําความเบื่อหน่าย ไปตามความเหมาะสมศรัทธาที่เชื่อต่อกุศลซึ่งเป็นวัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาที่ควรแก่การเจริญก็เจริญกุศลนั้นทีนี้เนื่องจากว่าศรัทธามีสองอย่างวัตกามินีวิวัตกามินีกุศลมีสองอย่างวัตกามินีวิวัตกามินีนะแล้วก็การละทุกมีสองอย่างการละอย่างไม่ใช่วิวัตต การละทุกอย่างวัตฏะคือเมื่อเราเชื่อว่าการเวียนว่ายใจเกิดในมีนะแต่ศรัทธาของเราเนี่ยเราก็ไปแค่ว่าเออเราอยากจะทําบุญเพื่อจะได้ไปเกิดที่ดีเป็นวัตฏะไหมหรือเป็นวิวัตะเป็นวัตฏะและอีกคนหนึ่งบอกการเวียนว่ายใจเกิดมีนะแล้วก็การเวียนว่ายใจเกิดนี่เป็นทุกข์เชื่ออย่างลึกซึ้งว่าเป็นทุกข์เป็นภยัยก็มีความปรารถนาอยากจะ จมอยู่กับทุกข์นะไม่ใช่อยากจะถอนตนออกจากทุกข์นั้นศรัทธาอย่างนี้จึงพิเศษนะฮะจึงเป็นเรื่องพิเศษผมก็ย้อนกลับมาหาประสบการณ์อย่างเราๆเข้าใจง่ายๆว่าคนศรัทธาในศาสนาเนี่ยศรัทธาลองได้ศรัทธาพุทธศาสนาแล้วต้องเท่ากันหมดหรือเท่ากันหมดไหม บางคนก็ศรัทธาเป็นเจ้าภาพเป็นประธานทอดกรถินได้ทุกปีแต่ไม่ศรัทธาที่จะฟังธรรมะใช่มะบางคนศรัทธาที่จะฟังธรรมะแต่ไม่ศรัทธาที่จะทอดกรถิกนก็อาจจะมีนะแต่ก็ไม่ยากและถ้าสูงกว่าก็ไอ้ใ่ตามคามความก็กง่ายหน่อยทำใม้ประมาทไม่ดูเบาและคนที่สมมติว่าศรัทธาในการทาภาวนา ภาวนาก็มีหลายแบบอีกใช่ไหมถ้าสมมุติว่าเราไปบอกว่าเออมาสท่านทั้งหลายสำนักของอาตมานี้ใครปฏิบัติแล้วจะหมดจากกิเลสโดยจับปันจะไปนิพพานได้โดยไวเป็นอรหันต์ไวเป็นอรหันต์แล้วก็จะต้องบวชทันทีอะไรอย่างเงี้ออยก็จะคิดคิดว่าโฆษณาอย่างนี้จะมีคนเขาสะตาไหมคนก็จะแห่กันมามืดฟ้าหมดดินมหมยกหลวงตัวอย่างหลวงพ่อคูนะท่านเกิดท่านยังมีไม้คอหยวอยู่สองอั บอกอันนี้เคาะแล้วกิเลสหมดอันอันนี้เคาะหัวใครแล้วมีแต่เมตตารักใครคนอื่นโกรธคนอื่ไม่เป็นสงศารคนอื่นอยู่เป็นอาจินแต่ว่าไม้อันนี้เคาะหัวแล้วเนี่ยตัวเองไม่ศรัทธาใครไม่เป็นแต่มีแต่คนอื่นศรัทธ า, ต, าตัวเองเป็นเมตตาตัวเองไปทุกหย่อมยากใครต้องการจะเคาะด้วยไม้อันนี้เข้าแถวทางซ้ายมือใครจะเอาไม้อันนี้เคาะหัวเข้าแถวทางขวามือ ใครเข้าแถวตัว น, นี้กิเลสจะหมดเลยกิเลสอะไรก็หมดรับรองว่ามันมันจะมาเข้าแถวนี้ไอ้เข้าแถวนี้ไอ้กิเลสใดที่ท่านต้องการป่าสามก็จะแรงยิ่งขึ้นอะไอย่นี้นะโอ้โหเข้ากันเป็นแถวเลยเพราะว่าก็ศรัทธาหลวงพคูลเหมือนกันสมมติว่านี่ผมสมมุติว่าจะตามได้อย่างงั้นนะก็จะมาทางนี้กันเต็มหมดสแสดงให้เห็นว่าศรัทธาของคนเนี่ย โดยมากยังขึ้นไม่ถึงระดับวิวัตาคามินีสตานะความเกลียดกลัวทุกข์ของคนในโลกยังเกลียดกลัวทุกข์กระจุกกระจิกทุกข์ไอเรื่องอดหยากปากแห้งไม่มีจะกินแล้วก็ทุกข์กันเยอะกลัวกันเยอะนะเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยเวลาไปหาพระที่ท่านลึกซึ้งมีความทุกข์ไปเนี่ย โอ้ยทุกของของโยมเนี่ยทุกมีโยมมีความสุกตัวเองยิ่งใหญ่มากแต่ไปหาพระแล้วทุกที่ตัวเองเป็นไม่อยู่ในสายตาพระเลยพรกระบอกว่าไอ้คือพูดเป็นทนองไม่มีความหมายอะไรอย่างอื่นสาคัญกว่าทําไมไม่ไม่กลัวก็โยงไม่ฟังแล้วก็กลัวไม่ออกกลัวไม่ออกอย่างที่พระจะให้กลัวนะ ก็เหมือนอย่างเรที่มีอาจารย์กรรมฐานองค์หนึ่งอ่ะคนหนึ่งที่พอตัวเป็นโรคไมเกรนใช่ไหมฮะสํานักหนึ่งเราไม่ต้องเอ่ยก็ได้บางท่านก็นจะรู้ก็ไปหาอาจารย์กรรมฐานที่พ่อมาพอตัวเองไรักษามารอบโลกแล้วไม่หายก็ไปเพื่อนก็นแนะนําไปก็ไปขอว่าอยากจะรักษาโรคไมเกรนอาจารย์กรรมฐานก็บอกว่า ทำมาท่านไม่มีไว้เพื่อไว้รักษาโรคมีไว้ทั้งเรารักษาโรคจิตรักษาไอ้โรคอื่นสําคัญกว่าพอบอกอย่างนี้ก็ไม่ทำเพ่อยสําคัญกว่าที่อาจารย์บอกเนี่ยมันไม่ได้สําคัญสำหรับคนที่จะมาปฏิบัติธรรมพูนั้นเลยแต่ในที่สุดเนี่ยมันก็ต้องมาด้วยเหตุไอ้บังคับอะไรต่อไรแต่ท่านก็บอกว่าไอ้สําคัญกว่ารักษาโรคนั้นแหละนิ้มกว่าหายไปเอง แต่ไม่พยายามจะให้ไปหมายมั่นมุ่งผลอันนั้นมุ่งแก้โลกกิเลสก่อนเพราะว่าไอ้ความเครียดนั้นเกิดจากกิเลสนะคนไปมีปัญหาตั้งคอลังเกียจกับโลกที่เกิดจากกิเลสแต่ว่าไม่ลังเกียจไอตัวเหตุคือกิเลสของโลกไอที่เป็นเหตุทั้งโลกนั้นพอมารักษากิเลสหายโลกก็หายนะทีนี้ ชั้นใดกระฉันั้นพระพุทธเจ้าเองก็ทรงสแสดงภาษาดิบุตรแสดงในปฐมีดกเยอะว่าเราเนี่ยให้ความสำคัญกลัวแต่ทุกเบ็ดตะเตล็ดไอ้ทุกใหญ่ใหญ่ไม่กลัวชาวโลกมันเป็นอย่างนั้นก็เลยแก้ก็อยู่นั่นแหละพอแก้ทุกอันหนึ่งก็ไอ้ทุกอันหนึ่งเข้ามาเรียกว่าแก้ปัญหาหนึ่งปัญหาหนึ่งเกิดตามหลังไม่รู้จะกหยุดหย่อนเพราะฉะนั้นคนที่เชื่อในสังสารวัต นี่ผมกาลังจะพูดว่าศรัทธาที่เป็นวิวัตกามินีเนี่ย่ะต้องมีความรู้สึกอย่างนี้ครับหนึ่งยืนอยู่บนพื้นฐานว่าการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงสองเห็นจริงเห็นจังว่าการเวียนว่ายตายเกิดเป็นทุกข์การที่จะบอกว่าการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงนั้มันง่ายครับให้เชื่อตรงนี้นั่นง่ายวันหลังก็เชื่อเยอะแล้วขนาดนี้ใช่ไหมใช่แต่ว่าหลัง รู้สึกหรือยอมรับไหมอ่าที่เมื่อก่อนนี่ที่ผมเคยได้รู้จักเชื้อเชิญมาพูดด็อกเตอร์เยนติเบนสันที่จะมาเมืองไทยบ่อยครั้งนะมาทีแล้วก็ชวนให้พูดทีเมื่อก่อนคนคว้าเรื่องไว้ไม่แต่เกิดทั่วโลกเชื่อเชื่อเลยเจ้าตัวบอกเชื่อเลยว่าคนเวียนไหวใจเกิดจริงแต่ถามว่านับถือศาสนาพุทธ หรือไม่เพราะศาสนาเดิมตัวไม่ได้ไม่ไม่ได้ตอนแล้วก็การเวียนไหวใจเกิดเนี่ยเป็นทุกข์ลูกเขบอกอม่สนใจตรงนี้แล้วก็ยังไม่ได้เปลี่ยนศาสนานะเขาก็จะเรียนรู้เป็นเจตวิาการเท่านั้นเองฮนะไม่ได้เปลี่ยนศาสนาแล้วก็ไม่ได้รรมาทำมณฑิการหรือรู้สึกว่าการเวียนไหวใจเกิดเป็นทุกข์ไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้เลยนะเพราะฉะนั้นก็ได้แต่แค่เชื่อในระดับ วัตคามีนีถูกไหมวัตคามีนีว่ะเรื่องว่าแตเกิดไปเออ่ไปอย่างนี้เออทําไมคนนี้ตายแล้วถึงไปเกิดอย่างนี้ได้วันนี้ตายแล้วไปจะเกิดอย่างนี้ได้อย่างในหนังสือบางเล่มที่บาทหลวงคนหนึ่งตายไปแล้วมาเขียนเล่าว่าเออพอไปประสบการณ์หลังความตายแล้วมากรงพุทธศาสนาคนทําความดีแล้วก็ไปสู่ที่ดีแก้ก็เลยมาสอนมาสอนคนให้ทําความดี จะได้ไปเกิดที่ดีอย่างที่แกไปเห็นมานะก็ไม่ได้มองในแง่เป็นทุกข์เลยไปไม่ถึงตรงนี้แต่ของรู้ธรรศาสนาเนี่ยเราไปถึงตรงนี้แต่คนที่จะตามไปถึงตรงนี้ได้มีเป็นส่วนน้อยมีเป็นส่วนน้อยพอเป็นเรื่องสูงนะเพราะนั้นหนึ่งในหลวงตัวนีเชื่อว่าการเว้แต่เกิดเป็นทุกข์สองอ่า เชื่ออ่าเดี๋ยดูอีกีเชื่อว่าสังสารวัตรมีแล้วก็ตีค่าเป็นทุกข์พออย่างแค่นี้ศรัทธาแค่นี้พออย่างได้ยังจะทำไงพอเลยจะทําไงอิ่มแค่นี้ได้ทาไงจะต้องศรัทธาในอีกด้านหนึ่งของอริยสัจนั่นเองอ่ะอุ่ในแง่ของอริยสัจเพรามีทุกข์กับความดับทุกข์ ทกุก็มีทุกเหตุเกิดทุกแล้วก็อีกด้านหนึ่งเขเรียสายคือความดับทุกข์กัปฏิปทาเพื่อให้ถึงความดับทุกข์ดังนั้นผู้มีศรัทธาอย่างนี้แล้วในนี้น่ะไม่ได้พูดกระบวนการแทรกซ้อนระหว่างนั้นแต่ว่าท่านไขความไว้ในที่อื่นว่าบุคคลผู้มีศรัทธาอย่างนี้อโดยทั่วไปเนี่ยครับ อ, อข้อนี้นะเห็นจะ พูดเป็นที่เด็ดขาดอันหนึ่งเลยว่าไม่ใช่เกิดขึ้นชาตินั้นชาติแรกท่านถึงบอกว่าเป็นศรัทธาในสังสารวัตรที่มีเพืเอ่อในพบต่อไปท่านใช้คำนี้นะะเป็นคำตัวแปลแต่หมายก็ว่าเอาง่ายๆคือเป็นศรัทธาที่อบรมมาแต่อดีต และเมื่อมาเกิดในชาตินี้สำนึกเนี่ยมันอยู่ในหัวใจเมื่อมาได้พบกัลยาณมิตรคือพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นทรงแสดงธรรมมากงามในเบื้องต้นตามกลางที่สุดบริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้งอันถาป่ปยาชนะคาริหาบดีหรือบุตรของคาริหาบดีเมื่อได้ฟังธรรมแล้วก็เกิดความศรัทธานะฮะศรัทธาะคะคอขึ้น ศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้า ท, ท่านสแสดงทั้งสแสดงเรื่องทุกข์ด้วยใช่ไหมสำหรับคนพวกนี้นะ่ะแล้วก็สแสดงถึงวิธีที่จะให้พ้นทุกข์ด้วยศรัทธาก็เกิดมีที่มามีเรื่องที่ผู้เป็นที่มาบอกทั้งปัญหาทั้งวิธีแก่เมื่อได้ศรัทธาอย่างนี้ก็ออกบวชในนี้พูดถึงว่าว่าอย่างคติของของพระออกบวชออกปฏิออบัติ เมื่อออกปฏิบัติแล้วก็เข้าสู่จุดของปฏิบัติศรัทธาเนี่ยท่านไม่ได้ไหมายเอาศรัทธานในปฏิบัตินะฮะความจริงไม่ใช่ตอนปฏิบัติไม่มีศรัทธามีศรัทธาแต่ศรัทธาที่เป็นเหตุให้เกิดปามโมลดเนี่ยหมายเอาศรัทธาก่อนปฏิบัติเป็นเหตุให้เกิดการปฏิบัติที่อยู่ในกระบวนการจากคนที่มาจากโลกดิบจะเข้าไปสู่โลกสุขเนี่ย ตรงนี้เป็นวลีวัตถ์ติศพลิกผันเข้ามาพอลงมือปฏิบัติด้วยความรู้ความเข้าใจด้วยพลังแห่งศัทธาเป็นพาหาัสัทธาวาหานำเข้ามาอย่างนี้ก็เกิดปราโมททีนี้พอบอกแหมพูดถึงว่าเกิดปราโมทแล้วจะง่ายไปแล้วมะมันเป็นไปได้หรืออันนี้เรานึกถึงอย่างเราเราอะศรัทธาบางคนศรัทธาโอ้โหเปียกเต็มเ ป, ยมเปียมนะ กับอีกคนก็ยังงั้นยังงั้นแหละก็มีศรัทธาแต่พอไปลงมือปฏิบัติลงมือบวชไอ้คนศรัทานแรงฝึกก่อนไอ้คนว่าศรัทธาตางั้นไม่ฝึกได้รับความเจริญก้าวหน้าในธรรมดีนี่ผมเคยเห็นมาแล้วครับพระเคยมาเล่าให้ผมฟังพระมีชื่อเสียงองค์หนึ่งบอกเลยว่าออกบวชกับใครแล้วก็ใครคนนั้นทวนไปอธิษฐานในโบสถ์วัดพระแก้วว่าจะไม่ฝึกตลอดชีวิตปรากฏว่า คนชวนน่ะศึกไปตั้งนานเลยก่อนแล้วผมก็บังเอิญรู้จักคนนั้นด้วยนะแต่ว่าคนถูกชวนยังอยู่คนถูกชวนยังอยู่ผมเองผมก็เคยถูกชวนคนหนึ่งเนี่ยก็พวกอาจารย์สอนโดยธรรมนะฮะกลุ่มหนึ่งเขาชวนให้ไปอธิษฐานถวายหัวกับพระพุทธเจ้าว่าจะทํางานตลอดชีวิตจะอุทิศ ต, ตลอดชีวิตผมไม่กล้ารับคําชวนเขาตอนนั้นผมยังหนุ่มยังแน่นอยู่ไม่แก้มตอนนี้ นี้เขาก็ไปติฐานการเชื่อไหมครับว่าถึงเดี๋ยวนี้นะ่ะคนชวนผมเนี่ยเลิกสอนไปนานแล้วแล้วก็ไปยุ่งว่นวายกับไอ้เรื่องการบ้านการเมืองผมไม่ได้เจอหลายปีเลยเมื่อก่อนเจอกันเลยเพราะว่ายังอยู่ในวัดเด็กกันพี่เขาก็เลยทิ้งไปเหลือผมรับกรรมอยู่เนี่ยเขาก็สบายไปแล้วเออมันก็เป็นไปได้เนี่ไอ้นี่เราก็ไม่ค่อยแน่ใจนะเดี๋ยวก็เกิดถวายแล้วเกิดจะเอาคืนนี่พระไม่ให้ยุ่งะนะเอเพราะฉะนั้น เรื่องของศรัทธาที่เป็นอย่างว่าและท่านพูดกับพระได้ในกรณีของคนที่มีคุณสมบัติค่อนข้างเต็มเนี่ยนะะแสดงธรรมแล้วก็ออกบวชเรียกเป็นไปตามกันลองเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ท่านบ่มของท่านมาดีตัส ม, มารนี่ท่านสแสดงอย่างคุณสมบัติเต็มส่วนของเราก็เกี่ยวด้วยแต่ว่าขอางเราอาจจะคุณสมบัติป่องบางอะไรบ้างนะะเหมือนอย่า ง, างเรื่องฌานเรื่องอะไรพวกนี้ คุณสมบัติเต็มอย่างหนึ่งเต็มตามหลักการแต่ว่าโดยบุคคลแล้วก็ลดส่วนเติมส่วนอะไรกันไปก็ น, นี้เมื่อบวช ด, ด้วยศรัทธาแล้วก็มาปฏิบัติลงมือปฏิบัติโอกาสที่จะเกิดปราโมดคือผลได้จากการปฏิบัติเป็นเบื้องต้นอันนี้แหละครับที่เรียกว่าความเพียรเมื่อบุคคลเพียรแล้วย่อมอย่างลงสู่ปีติอย่างในพระสูตรบอกบางสูตรบอกนะก็ปฏิบัติ ได้ประโมทอันนี้มันธรรมดาเลยครับว่าคนเนี้ยบวช ด, ด้วยศักดิ์แต่ว่าศรัทธาเนี่ยมันก็ได้ประโมทอยู่พอสมควรแต่มันจะเข้มแข็งแค่แไหนนี่เรื่องนะอย่างบางคนเนี่ยบวชเห็นเลยว่าบวชเพราะศรัทธาเจ้าสํานักแต่ว่าไม่ได้รู้หลักการอะไรเลยเ อ, อย่างพว ก, พวกเราก็พอมีบางทีก็ถามว่าหลักการอย่งไรที่ผมสนใจคือตรงนี้ไม่ได้จะไปคิดจะเอาชนะกันแต่ว่าอยากรู้ว่าหลักการอย่างไง จริยาวัดอะไรก็ดีแต่ว่าหลักการแล้วเ้าก็ไม่รู้่ะบางคนก็เห็นแล้วก็ศรัทธาก็ไปอยู่ในสำนักด้วยตั้งอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยก็ถามว่าท่านสอนยังไงท่านดียังไงก็ตอบได้แต่ท่านสอนยังไงเนี่ยตอบไม่ได้คือไม่มีหลักการที่เราอยากรู้นะนี่ก็เป็นกรณีทีนี้กรณีอย่างอที่ท่านว่าเนี่ยมีหลักการมีศรัทธาเข้ามาอย่างมีจุดมุ่งหมาย พระพุทธเจ้าก็ยังอยู่ความเพียร น, นั้นย่อมทําให้เกิดปราโมชได้ง่ายแต่ก็นั้นแหละไม่ได้หมายความว่าคนเหล่านี้ที่ว่าดีๆเนี่ยจะไม่เกิดความเดือดร้อนใจไม่เกิดกิเลส ต, ต้องต่อสู้เลยไม่ถึงก็อย่างนั้นเพราะว่าได้เคยอาจจะมีประสูตรที่เราเคยผ่านมาแล้วก็ได้หรืออย่างแต่ผมเคยอ้างถึงแล้วว่าแม้แต่พระพุทธเจ้า เมื่อท่านออกบวชแล้วปฏิบัติธรรมเนี่ยถามว่าท่านเกิดนิวรณ์ไหมหรือมีปราโมทย์ตลอดท่านบอกไว้ในพระสูตรเลยว่าท่านก็เกิดนิวรณ์เหมือนกันเพราะว่าไอ้เรื่องนิวรณ์ปรากฏมันเป็นกระบวนการของการละอันหนึ่งนะฮะแต่อันนั้นไม่ไม่ใช่เป็นสาระจะต้องพูดตรงนี้แต่พูดถึงผลที่ได้ที่บุคคลนั้นเมื่อไม่ทิ้งความเพียรทำไปโดยลําดับ เข้าใจกระบวนการของมันก็จะได้ความอิ่มใจเป็นเบื้องต้นก็อย่างที่เราพูดถึงรายการเรื่องเรื่องมาสูตรในตอนเช้าหรือแม้แต่สูตรก่อนๆที่ว่าบุคคลจะไม่ได้ทำด้วยอาธรรมก็มีนะบุคคลจะไม่ได้ทำด้วยความทุกข์หมายถึงไอ้แรงส่งที่มันเป็นปัจจัยที่แท้เป็นย่งใกล้ชิดเนี่ยมันไม่ใช่ทุกข์ออย่างพูดกันในทางเปือกนอก ก็จะเป็นลักษณะเหตุผลดีเท่านั้นจริงจะตามห้เกิดผลที่ดีขึ้นไปโดยลำดับด้วยเหตุนั้นปลาโมดจึงเกิดนะทีนี้นี่เป็นเรื่องศรัทธาที่เกิดขึ้นจากอะไรเป็นปัจจัยเกิดจากทุกเป็นปัจจัยแล้วถามว่าทุกนั้นเกิดอะไรเป็นเกิดจากอะไรเป็นปัจจัย คำตอบก็คือทุกนั้นเกิดจากชาติเป็นปัจจัยในจึงได้ความว่าเ ห, เหตุแห่งทุกในลักษณะใกล้ชิดเหตุแห่งทุกในลักษณะใกล้ชิดที่เห็นได้แต่ถ้าถามว่าถ้าผมว่ามีใครถามเราว่า อะไรเป็นเหตุแห่งทุกข์เนี่ยพอได้ยินคําถามนี้ปุ๊บเนี่ยความคิดจะตอบเราจะตอบว่ายังไงปับ๊บถ้าเราคออริยสัจสี่เราก็จะตอบว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ใช่ไหมฮะอา้าวแล้วทําไมสูตรนี้ไม่ตอบมาเป็นตัาเหตุให้เกิดทุกข์กลายเป็นว่าชาติเป็นที่อาศัยแห่งทุกข์อันนี้เขาเรียกว่าตอบด้วยเหตุใกล้ เหตุตื้นเหตุที่เห็นได้เอเหมือนอย่างเนื้อความที่แจกในสูตรที่แจกวันนี้ซึ่งคงไม่ได้พูดในวันนี้นะอแล้วมันมีอีกสูตรนึงถัดไปก็อาจจะต้องเอามามาพูดไปด้วยกันพือมใกล้ยๆกันอยู่ว่ามีปัญหาว่าทุกเคเวธนาเนี่ยทุกเนี่ ย, ท, ยที่เขาปลาโล ก, กันในในหมู่เจรติทุกเกิดจากอะไรอาบางพวกก็ตอบไปเป็นสีอย่างต่างกันนะ ว่าเราทำเองคนอื่นทำเกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่พระารีบุตรตอบว่าเกิดจาก ภ, าภาัจจะเพราะปัจจาเป็นเหตุให้เกิดเวทนานี่ตอบได้เหตุการ์พอไปอีกสูตรหนึ่งซึ่งไม่ได้อยู่ในสูตรนี้สูตรถัดไปเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตอบรับรองว่านั่นแหละทุกเกิดจากภาัจจะและเกิดจาก กายกรรมวจีกรรมที่บุคคลทำไว้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์อัตถกาถาท่านก็แก้อย่างที่ผมได้พูดนี่นะว่าผัสสะนั้นเป็นเหตุไกลเป็นเหตุตื่นเป็นเหตุที่เห็นได้เป็นเหตุที่เข้าใจได้เป็นเหตุพูดที่ไหนใครก็รู้ยอมรับได้แต่กรรมเนี่ยเป็นเหตุลึกแต่ก็นับว่าเป็นและหมดรอย่างและถ้าตอบว่า ตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ถูกไหมถูกอีกกรรมกับตัณหาใครลึกกว่ากันตัณหาลึกกว่าเออไอ้ถ้าเอาตัณหาเต็อนมันก็มันก็ตือนกว่านะคืออันนี้อธิบผมหมายถึงอย่างอรลัยสัตว์นะสมรู้ว่าเออเนี่ยเพราะเราอยากได้แล้วไม่ได้อย่างยาๆ ก, ก็เป็นทุกข์ท่านไม่ได้หมายเอาอย่างนี้ในเชิองอรลยสัตว์นะท่านในเชิองอื่นที่ท่านตอบมานั้นถูกแล้ว ในเชิงอริยสัจเนี่ยที่บอกว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เนี่ยเวลาเราอธิบายไงถึงก็อธิบายอย่างที่ว่านะแต่ความหมายที่ท่านต้องการท่านไม่มได้ว่าอย่างนี้ความอยากที่เราสะสมเนี่ยครับอยากเยื่อใยในชีวิตทําให้เราต้องมาเกิดอีกมีหูมีตากันชาติแล้วชาติเราไอ้ที่เราสั่งสมโดยบริยายเนี่ยมันเป็นพลังทําให้เราต้องเป็นอย่างที่เราต้องการเป็นซึ่งเป็นเรื่องลึกถ้าเราทําลายความอยากนี้ได้ มันก็ไม่มีตัวประสานพบแล้วกรรมมันก็ไม่มีที่อาศัยเพราะฉะนั้นพระอระหันต์เนี่ยจึงทําลายอะไรได้แล้วไม่เกิดระหว่างเอาสามอย่างเลยก็แล้วกันผัสสะตัณหาอัศกรรมตัณหาให้มันเรียงกันเลยจะได้ตอบง่ายพระอระหันต์ทำลายผัสสะไหม ไม่ได้ทําลายพัสดาพระอาหารหันต์ทําลายกรรมเก่าไหมพ้นจากกรรมเก่าไหมไม่พ้นพระอาหารหันต์มีตันหาเหลือไหมไม่มีทําลายตันหานี่เก็จะทําลายเหตุลึกแต่ว่าการที่จะเข้าไปทําลายเหตุลึกเนี่ยต้องกําหนดรู้เหตุข้างนอกเหตุข้างนอกเนี่ยหมายถึว่าเอานี้เลยพูดผ่าดเลยไปถึงไอ้สูตรก่อน สูตรตันไปซะแต่ด้วยแต่มันก็พอเป็นตัวอย่างว่าเวลากำหนดผัสสะว่าไอเวทนานี่เกิดไม่ได้มีอัตราตัวตนไม่ใช่ของไคลเกิดจากเหตุจากปัจจัยและเหตุปัจจัยที่เรากำหนดได้ว่าผัสสะก็ไม่ใช่ตนเกิดจากมันเกิดจากาการประจุล้อกระทบแล้วก็ดับผัสสะมันจะนกระทบเปลี่ยนเปยนเปี่ยนทั้งวันไม่ได้หมายถึงกระทบที่ตาที่หูทั้งวันไม่ได้ เพราะฉะนั้นทุกเกิดทั้งวันไม่ได้และเมื่อผัสะอย่างนี้เกิดใครก็ห้ามทุกข์ไม่เกิดไม่ได้นะแต่ห้ามใจไม่ให้เราร้อนได้จริงที่ควรห้ามคือห้ามใจไม่ใช่ห้ามผัสสะ ก, ก็ละได้เนี่ยไอ้การที่กำหนดรู้ทำให้เกิดการละความยินดีติดใจหลงระเริงกบไอ้ทุกข์ที่เป็นของยั่วเล่นเป็นของไรสาระนี่เป็นอารมณ์ในการปฏิบัติอันสูงอย่างกรรมฐาน ใจมันก็เบาแล้วก็ปล่อยวางเพราะฉะนั้นที่กล่าวว่าทุกเกิดจากชาติเนี่ยท่านแสดงไล่เลียงไปหาเหตุใกล้ก่อนแต่เมื่อพูดขยับต่อไปว่าตัณหาก็ถึงอวิชานั้นเป็นเหตุขั้นลึกแล้วครับเพราะปฏิจจ์เนี่ยแสดงจากลึกมาสู่ตื่นจากละเอียดมาสู่หยาบ จากสภาวะปรมัดล้วนมาสู่าภาคปนสมมตินะอย่างชาติอะไรเงี้ยเกิดมีชีวิตขึ้นมาความทุกข์ในชาตินั้นคื อ, อ ช, า ร, อชารามรณะโศกะปริเทวะก็ปรากฏแก่บุคคลผู้มีชาติแล้วเมื่อบุคคลไม่มีชาติสิ่งเหล่านี้ก็ไม่มีที่อาศัยเกิดดังนั้นทุกจึงอาศัยชาติเป็น ปัเพราะฉะนั้นเราจึงหรือพระพุทธเจ้าจึงได้พูดพระจึงได้พูดบ่อยๆว่าชีวิตของเราเนี่ยมันมีความสุขและความทุกข์ทั้งสองอย่างใช้ไม่เป็นมันทำลายเราทั้งคู่ทำให้เราชั่วลงได้ทั้งคู่เกือบจะห้าสิบห้าสิบและบุคคลที่ใช้เป็นบริโภคเป็น ก็ได้ประโยชน์จากทุกขและจากสุขทั้งคู่เท่ากันพอๆกันทุกก็ดีสุขก็ดีนั้นที่เ <c oughs> มื่อวานที่พูดถึงถึงพระสูตรและเรื่องปล่อยตัวสบายจัดเกินไปอย่างนะก็ทำหนองนี้แล้วก็พระพุทธเ จ, จ้าก็ตรัสว่าการที่ได้มาเป็นมนุษย์เนี่ยเราได้เห็นคนอื่นก็ทุกข์ก็ดีเราทุกข์เองก็ดี <c oughs> เป็นประโยชน์ทั้งนั้นเลยความสุขไม่มีก็ไม่ได้ ก็ต้องมีเป็นเบื้องต้นแล้วก็เป็นทรามกลางเป็นที่สุดด้วยแน่นอนล่ะจุดหมายปลายทางเนี่ยไอ้สุขทุกชั้นต้นชั้นโลกิยะเนี่ยพูดโดยขั้นอเลสสัตแล้วมันก็คือทุกสองสภาพทุกที่น่ายินดีกับทุกที่ไม่น่ายินดีอันนี้พูดโดยความรู้สึกของปุถุชนในสายตาพระท่านมองมา่เอในสังคมเราเนี่ย บอกว่าไอ้ความสุขสําราญใดๆอย่างที่เราว่าที่เรายินดีเนี่ยท่านก็เถือนี่เป็นทุกข์ที่น่า ย, ยินดีสมมติเรียกว่าสุขตาม อ, อําเภอน้ําใจของคนในโลกทุกบางอย่างเนี่ยคนในโลกนี่ไม่ต้องสอนกันก็รู้กันเหมือนกันทุกภพทุกชาติทุกปัตาก็เป็นทุกข์ที่ไม่น่า ย, ยินดีแต่ทั้งทุกข์ที่น่า ย, ยินดีและทุกข์ที่ไม่น่า ย, ยินดีสําหรับระดับท่านแล้วไม่น่า ย, ยินดีทั้งคู่ แต่ความไม่น่ายินดีของท่านนะท่านไม่ได้ไม่ยินดีด้วยโทรศัด้วยความเดือดผิดกับเราเราไอ้ที่น่ายินดีเรายินดีได้วยความมัดที่ไม่น่ายินดีเราก็ไม่ยินดีด้วยปฏิฆะอันนี้คือขัดทุนทั้งคู่ไงครับทีนี้ในเบื้องต้นเนี่ยสมมติว่าคนรู้หลักการอย่างนี้จะก้าวขึ้นไปสู่อ่าสิ่งที่เป็นวิวัะตรสาหรับคนระดยยับนี้ก็จะต้องมาถามว่า เราเราบริหารอะไรเราว่างทุกขสุขกับใจของเราผูุู้ชนเนี่ยไม่ได้บริหารใจคือบริหารไอ้ไม่น่ายินดีก็จะย ง, งยั้นยางงี้กับมันไอ้ที่น่ายินดีก็จะยังงั้นอย่างงี้กับมันไม่ได้นึกถึงใจตัวเองแก้ใจตัวเองแต่วิธีของผู้มีศรัทธาตัวนี้จะถอนจนจากไอ้ไอ้ทุกหน่ายินดีไม่น่ายินดีด้วยการถอนความยินดียินร้าย ออกเสียสั้างแต่แรกวินยญาโลเกพิจาตรตมณัตสังกำจัดความยินดียินร้ายในโลกคือในอารมณ์ที่น่าพอใจไม่น่าพอใจเสียได้เมื่อนั้นก็หมายกาว่าท่านแก้ใจทีนี้เมื่อแก้ใจแล้วเนื่องจากว่าไอ้ทุกเนี่ยมันมาจากใจของเราเองนะตะว่าไปแล้วนะปัญหามันก็อยู่ในใจเราใจเราเนี่ยเป็นสร้างจริงๆครับเรามองถึงเดี๋ยวนี้นะ่ะเห็นชัดเห็นชัดเลยว่า แล้วเราก็ <S <S ก็บอกกันอยู่เสมอว่ามันอยู่ที่ตัวเราเองจริงๆครับเมื่อเย็นนี้กว่าจะกลับก็มีโยคนึงลายสไตลยก็มาคุย้เรื่องอย่างนี้ว่าจะเปลี่ยนชื่อดีไหมจะเนี่ยลาหูอ ม, มแล้วจะทํำยังไงยังว่าอย่างนี้คือไปเล่นกับไอ้เรื่องกระจุกกระจิกนะแทนที่ว่าเรานี่จะทํำยังไงผมก็เลยให้ใหทานให้ศีลไปวันนั้นแหละครับโอ้อย่างนี้เราเนี่ยจะไม่ใช่เป็นคนจ้องจะเอาไอ้ย่างงี้มันคนจ้องจะเอา ตัวจะไม่ได้แล้วก็จะใช้เหตุอย่างง่ายๆจะเอานะถ้ามันได้อย่างงั้นผมก็จะต้องเปลี่ยนบ้างแล้วว่าผมจะเอามากักเอาผลเวิวัฒนายานในชื่อนีมันกว้างหรือเปล่าผมก็อาจจะไปเปลี่ยนชื่อเป็นนายโพธชงเจ็ดนะหรือเป็นตถาคตสมณะโคโดมพุทธบุตรอะไรเงี้ยฟังให้มันชวนตลกไปเลยเยแล้วจะทำให้คนบรรลุได้ไหมล่ะ ทีนี้ถ้าสํานึกอย่างที่ผมว่าเนี่ยทายังไงเราถึงจะสร้างแก้ตัวเราเองเนี่ยให้กลายเป็นที่ยําเกรงที่พึ่งพิงของผู้มีโชคชะตาทําให้โชคชะตายําเกรงงั้นเราเขบอกว่าไอ้นี่ไอ้ตรงเนี้ยผีสิงผีดูคนก็พยายามหลบกลัวกันแต่ว่าถ้าเป็นอย่างเราแล้วเราอยากจะเข้าไปเราคิดว่าเราเข้าไปเนี่ยไม่ใช่เข้าไปเพื่อไปท้าเขานะเข้าไปเพื่อทําไงช่วยก็ได้ แต่ไอคนหลบนี่มันหลบเพราะกลัวเสียกลถูกทำลายเนี่ยมาดะงนั้นถ้าถ้าเราดีจริงๆเนี่ยนะจะดีขั้นไหนมันก็ก็ช่วยเหลือก็ได้กั้นนะก็ก็เรียกว่าทําให้ทุกคนไงว่าพอมาเกี่ยวข้องกับเราแล้วก็สดชื่นขึ้น่ะแค่นั้นก็ยังดีแล้วนี่จ้องจะไปเอาแต่ความสดชื่งจากคนอื่นแล้วก็ไม่ได้ทําตัวเองเพราะฉะนั้นผมถึงทิ้งกับเขาว่า ไอ้คนที่เชื่อหมอดูดูงหง่เฮงดูอะไรแต่ไรเนี่ยหมอดูเนี่ยหลักหมอดูหรือหมอดูกลัวพวกพวกหนึ่งกลัวว่าจะดูผิดกับพวกหนึ่งอันหนึ่งคือไอ้บางคนเนี่ยเส้นเส้นมันชี้ว่าเนี่ยอีกห้าปีีกปีจะเป็นยังไงอย่างไ้แต่คนนั้นถ้าเป็นคนอยู่ในทานในศีลในธรรมะเนี่มันเปลี่ยนกระแสเส้นได้หมอดูผิดมาเยอะกับคนพวกนี้ ผมรู้จักพวกหมอหมอที่เขียนตามหนังสืออะไรต่อะไรเนี่ยหลายคนตายไปแล้วก็มีแล้วเนี่ยเขาก็พูดอนี้แล้วยอมเขาเนื่องจากว่าบางคนก็มาเรียนธรรมะด้วยก็เห็นอ๋อไอ้สิ่งเหล่านี้มั น, ม, นมันแก้ไขได้ระหว่างเราไปทําบุญแก้ไขก็เอาไอ้คัตเตอร์มากรีดเส้นเนี่ยมันลากเส้นเนี่ยมันยาวไปตามที่ที่เราต้องการเนี่ยให้หมอผ่าตัดมันแก้ได้ไปแล้ว ไม่งั้นก็คือโหผมมันก็ไปตั้งคลินิกแล้วยุไอ้พวกนี้ตั้งคลินิกแล้วใครจะม า, าเปลี่ยนเส้นสมองต่อเส้นสมองต่อเส้นชีวิตสร้างเส้นถือเสียงมาที่คลินิกนี้นะคิดจใจมันแพงไปเลยว่าจะเอาเนี่ยเอาเส้นลาบคิดมันแพงหน่อยยาวคิดไปเลยมิลละกี่กี่พันกี่หมื่นว่ามัอยากรวยมากมัเสียเยอะหน่อย มันเป็นไม่ได้ไหมล่ะมันก็เป็นไปไม่ได้มันต้องบอกว่าเอ้หมอดูสำนักตรงบางแห่งเนี่ยผมก็แอบบแบบจําข่าวนะบางทีก็เก็บไฟไหม้บ้านยังไม่รู้เลยสำนักตรงบา ง, บางแห่งนะเป็นสำนักตรงก็มีไฟไหม้บ้านตัวเองอะโจรยกเข้าของหมดบ้านเจ้าข่อไปมัวทําอะไรอยู่ที่รูปันน่นนะของเก่าเยอะแยะมีค่าเป็นแสนหลายแสนแล้วก็ ลายล่าสุดนะ่ะเจ้าสำนักรงโดนยิงตายตรงยพ อ, อะไรกันไม่รู้อยู่แถวอ่างทองใจนาฏเนี่ยโดนยิงตายบางคนติดคุกบางคนต้องขายบ้านขายช่องอยู่แถวบางแกลูกเมียเดือดร้อนกิดคงการค่าอะไรเสียหายแล้วก็กน้อยนะที่ผมไม่เห็นมานี่เวลาที่ผมเห็นไม่ได้บังคับทาไมละ่ะ เนี่ยทำไมถึงไม่ช่วยนอันนี้เราไม่ได้พูดดูถูกพวกไกลตกาไกลที่เข้ามาเข้าสองแต่กำลังจะบอกว่าสิ่งที่เราน่าจะถือเป็นสาธาณะเนะนี่ยมันไม่ใช่เรื่องไอ้กติกาจีพวกนี้ถ้าเรารู้สึกว่าเรายังมีมีข้อแม้วันไหวเกรงกลัวกับไอ้สิ่งภายนอกมากเนี่ยมันก็แสดงว่าเรามีลักษณะของพึ่นตัวเองสแสวงหาสาละ แก่นสารที่เราจะพึ่งในตัวเราเองได้ตัวเราเองได้น้อยซึงคนส่วนใหญ่เป็นอย่างเป็นอย่างพวกแหลกเป็นอะย่างเงี้ยนะโดยมากเป็นอย่างเอาละครับผมก็ข้ามเลยในหน้าที่สามเนี่ยไปเสียเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องที่เราพูดพูดกันอยู่เป็นหลักแล้วไปดูในบทสรุปในหน้าสี่พระพุทธเจ้าโดยทรงสแสดงกลับวาระใหม่ คือในเบื้องต้นนี้ท่านแสดงเป็นปฏิลมแสดงจากผลเข้าไปหาเหตุการแสดงจากผลเข้าไปหาเหตุง่ายแล้วก็หมกเพราะว่าถ้าในส่วนของวิวัตตาเนี่ยยกผลสําเร็จขึ้นตั้งว่าทํำยังไงถึงจะสําเร็จผลอย่างนี้ก็สืบลึกสืบลึกเข้าไปแล้วก็ในสายสังสารวัตรชี้ให้เห็นว่าไอ้ปัญหาที่เห็นชัด ว่าทุกข์ว่าชาติมันเกิดจากอะไรแล้วก็ฝืบลึกเข้าไปตามลำดับอ่านี่เอาเอาผลตั้งตาว เ, เข้าไปหาเหตุแต่พอมาถึงอีกส่วนหนึ่งเนี่ยท่านก็จะแสดงเหตุกลับไปหาผลคือแสดงจากลึกไปหาตื้นก็จึงได้ลำดับว่าสังขารเกิดจากอวิชชาวิญญาณมีสังขารเป็นที่อิงอาศัยไปจนลำดับถึงทุกข์มีชาติเป็นที่อิงอาศัย นี่เป็นสายของทุกขสมุทยัยหรือสายของวัตตะและจากนั้นจึงเข้าสู่สายของทุกขานิโรธก า, ามินีปฏิปทาหรือสายวิวัตตะโดยข้อสิบเอ็ดไม่เป็นถ้าจะสงเคราะห์ข้อสิบเอดเนี่ยเป็นสูตรตามายะปัญญาสีลมยะปัญญานะสูตะมายะปัญญาสีลมยะปัญญาข้อสิบเอ็ด สูตาก็คือบุกฟังศีละก็คือบวชเนี่ยถ้าเป็นอย่างตัวอย่างในกรณีของสูุของพระถ้าเป็นอย่างของเราก็ฟังแล้วก็เลื่อมใสเอาไปปฏิบัติหรือไปสู่สำนักเพื่อปฏิบัติด้วยศรัตน์นั้นเมื่อลงมือปฏิบัติแล้วผลที่เกิดขึ้นคือความปลาโมดนั้นเอถึงแม้ว่าก่อนจะปลาโมจะมีความทุกข์ความเดือดร้อนปวดเมื่อยขบฟุ้งซ่านง่วงเมาเมานอนอืดอัดลงคานใจ เราถือว่าคนผู้มาลงมือปฏิบัติด้วยศรัทธาแล้วก็ต้องง่วงเนี่ยความม่วงเป็นผลของศรัทธไหมไม่ใช่เราไม่ถือเป็นผลที่มุ่งหวังนะแต่ว่ามันเป็นอยู่เป็นอ ย, นอยู่เป็นเรื่องอยู่ในกระบวนการของพลังธรรมที่มันกําลังทําปฏิกิริยากับความชั่วกับกิเลสกับกรรมของบุคคลนั้นไม่ถือว่าเป็นผลที่เราจะมุ่งเพราะฉะนั้นที่บอกว่าทําแล้วมันจะต้องทุกข์เนี่ยก็อเอาทุกข์เป็นครู ทุกนาดีแล้วทุกอา่านั่นแหละเอ่อพูดแล้วบางทีชวนแล้วเข้าใจผิดนึกว่าจะไม่ยอมให้จะยอมเราจะต้องมีทุกมันถึงจะดีนะฮะความจริงไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะต้องต้องไม่เป็นอย่างนั้นตลอดไปแต่อา่ามันเป็นกระบวนการที่เราจะต้องวางใจยอมรับให้ถูกที่ที่อาจารย์ทั้งหลายท่านว่าคืออย่างนี้แต่ปรามโมดเนี่ยถือว่าเป็นผลเฉพาะหน้าที่ผู้ศรัทธา ถึงหวังและจะได้ด้วยศรัทธาเพราะฉะนั้นเวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยสมมติปฏิบัติธรรมนะว่าทําปฏิบัติเพื่อเอาอะไรถ้าเราตอบอย่างเป็นกันๆ ก, ก็ตอบอย่างหนึ่งนะตอบอย่างผลเฉพาะหน้าเนี่ยแล้วก็เราเองเนี่ยจะต้องวางผลระยะไกลไว้แต่ต้องไม่ลืมนะว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเรามีความรู้สึกว่าสังสารวัฏเป็นทุกข์แล้วก็ความสิน้นจากกิเลส เป็นของดีเราก็วางผลอันนั้นไว้แต่ว่าไม่ได้เอามาคิดเป็นความมุ่งหวังเฉพาะหน้าสิ่งที่เป็นผลเฉพาะหน้าเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องกาจําจาเลืองแลดูอยู่เสมอเสมอว่าได้หรื อ, อยังอันนี้ไม่ไกลเกินเอื้อมใช่ไหมฮะแต่สมมติเราบอกว่าไปทำเพื่อให้ได้ปาโมตไม่ไกลเกินเอื้อมถูกไหมถึงแม้จะยังไม่ได้แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่า สุดวิสัยที่จะไม่ได้หรือได้ไม่เต็มที่ก็ไม่ใช่ว่าจะทําให้ได้เต็มที่ไม่ได้อันนี้เราก็คํานึงเป็นขั้นๆไปแล้วเวลาเราอธิษฐานจิตระหว่างนั้นเนี่ยเราต้องอธิษฐานเป็นมั่นเป็นเหมาะเอาอธิษฐานเอาผลในฐานหน้าที่เป็นเหตุเป็นผลที่มันจะเอามาเป็นต้นทุนต่อเนี่ยอธิษฐานเอาให้ได้แล้วพอได้มาแล้วก็ดูว่าอะไรเป็นผลระดับต่อไปอธิษฐานเอาให้ได้เพื่อเอามาเป็นเหตุเหมือนอย่าง ที่ผมเคยตอบกับหลายๆคนที่ตอบว่าเอ๊ทําบุญเนี่ยอธิษฐานเอาล่ําเอารวยเอาเอาสวยเอาแข็งแรงเอาสุขสตินี่มันไม่สมควรใช่ไหมเนี่ยแบบเดียวกันเลยครับแล้วอย่างคนนี้ เ, เขาไปถามผมที่จุฬาเขาอยู่ที่ไหนผมไม่ทราบเขาบอกเขาฟังแล้วก็เขาไม่รู้จะทํำยังไงดูเพราะว่าบางทีพระทั้งหมกเนี่ยเป็นกิเลสไม่ควรทําแล้วก็ลืมไปเลยอย่าไปคิดอะไร เอ๊แต่ทําไมพระบางองค์พูดให้อธิษฐานเอายัง ง, งูอย่างนี้ได้แล้วก็มีหลักฐานด้วยก็จะทํำไงถูกเนี่ยจะเชื่ยวปลาอกไหนหลงก็บอกว่าเรื่องนี้นะมันอยู่ที่ขั้นก็อธิบายเรื่องอะไรที่เราได้เนี่ยเราต้องเอาปาถนามาเพื่อเป็นบาศไม่ใช่จุดจบแม้คนรักษาศีลก็ไม่ใช่จุดจบรักษาเพื่อเป็นบาศ ไอ้จะไปบอกว่าสีอย่ารักษาเลยเพราะว่าเราต้องเอานิพพานอย่างเดียวเอาหมดกิเลสอย่างเดียวอย่างนี้เขาเรียก ว, ว่าจ้องจะเอาแต่ผลแต่ลืมกระบวนการนะนั้นอย่างเราผมก็ถามมาแล้วคุณทํางานนะเอาเงินเดือนหรือเปล่าแล้วไม่กลัวกิเลสหนาะหรือเอาเงินเดือนนะสมัยเอาอ่ะผมบอกก็ต้องเอาสิผมบอกคึกว่าไม่เอาผมจะขอรับแทนคุณจะได้หมดกิเลสเร็ว ผมขอเสียสละเอากิเลนมาบอกผมแทนกันแล้วกันทีนี้ผมก็ถามเอาเนี่ยแล้ว เ, เอาไปทไําไหมลองมองดูเงินเดือนนะเอาไปใช้ในทางอุสนหมดเลยเลยทั้งเดือนหรือเอาไปทําบุญหมดเลยเลยทั้งเดือนหรือเอาไปจริงที่สมควรจะเอาไปใช้คือไปใช้เป็นแบ่งส่วนอย่างพุทธเจ้าวะ่ะทิ้งเหวีไว้ทิ้งนี่ก็คือเอากําลังไว้จะได้กําลังไปทำอะไรอย่างอื่น ทำบุญไว้เพื่อจะได้เอาผลบุญไปอย่างอื่นต่อต่อไปเมื่อเรายังเวียนาหวใจเกิดเออก็เลยรู้สึกว่าเขาก็บอกเออลองอ๋อเขาก็ายังชั่วอยู่แหละไม่ไม่ไม่พระว่าะกวังลังเลยเพราะฉะนั้นอะไรที่เรามุ่งปรารถนาเราอยู่ตรงจุดอย่างนี้เนี่ยเราก็ปรารถนาเราถ้าเป็นพระอรหันต์และท่านไม่ต้องแล้วไม่มีอะไรเป็นบาสนั้งเรท่านแล้วท่านขึ้นไปถึงจุดลอยตัวแล้วนั่นก็เป็นเรื่องของท่านพระอรหรันต์ก็ ได้แสดงมาโดยลำดับเพราะนั้นปราโมดเนี่ยปราโมดปีติปัตสัตธิสุขสามอย่างนี่เป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นในขั้นของจิตตะวิสุทธิในเบื้องต้นนะจิตตะวิสุทธิเนี่ยเลยไปถึงอัปนาสมาธิคือสุขด้วยสิบสองถึงสิบหกเนี่ยเป็นจิตตะวิสุทธิกระบวนการของจิตตะวิสุทธิตั้งแต่บริกรรมสมาธิอุปจารสมาธิอัปนาสมาธิไป อ่าในนี้ท่านแสดงอย่างเป็นสมถยานิกแต่ถึงไม่ทําอย่างเป็นสมถยานิกก็จะได้ปราโมทด้วยได้ปีติด้วยได้ปัสสติด้วยได้สุขด้วยได้สมาธิด้วยอย่างที่เป็นวิปัสนาญาณิกอย่าลืมนะฮะว่าทําฌานเขาก็ได้ปีติได้ปราโมทไม่ทําฌานก็ได้ปีติได้ปราโมทอย่างคนทําวิปัสนาไม่ได้ทํา ฌานเป็นบาท น, นะคือหมายความว่าพอไปถึงจุดนี้ไอ้ศรัทธาในเบื้องต้นเนี่ยมันก็ต้องถึงระดับว่าเห็นไปในสองตารวัดเหมือนกันพอมาถึงอกระบวนการก่อนวิปัสน า, าพวกหนึ่งเนี่ยทําเป็นวิปัสนาแล้วก็ได้สมาธิแด้อะไรไปบางพวกก็ทําเป็นสมาธิแต่ไม่กากเกณฑ์เอาถึงขั้นวิปัสนาถึงท่นานฌานบางพวกก็ทําแล้วก็ไปถึงท่นานฌานก็อยู่ตรงช่วงนี้เหมือนกันหรือว่าอยู่ตรงช่วงนี้ ถ้าทาเป็นเป็นฌานนะฮะก็หมายว่าสมาธินั้นเป็นบริกรรมเป็นอุปจาระเป็นอปปนาถ้าทาอย่างไม่ถึงขัน้นฌานแต่ทาเป็นสมาธิก็อาจจะแค่บริกรรมสมาธิแล้วก็พอเอาไปใช้ได้ก็จบแค่นั้นทีนี้ถ้าทำอย่างเป็นวิปัสสนาเลยถือว่าเป็นอารัตถวิปัสสนายังไม่ได้ยานนะ พูดง่ายว่าเป็นวิปัสสนาก่อนได้ยานข้อสิบเจ็ดเป็นวิปัสสนาได้ยานแล้วข้อสิบสองถึงข้อสิบหกเนี่ยเป็นอารัฐาวิปัสสนาวิปัสสนาก่อนได้ยานก็เกิดปีติเกิดละโมดเกิดอะไรอะไรอย่างนี้ได้ทั้งที่ทําวิปัสสนาเลยนั่นแหละแต่ยังไม่ได้ยานก็ได้คุณสมบัติทางสภาวะธรรมที่ดีๆเหล่านี้เป็นเครื่องบํารุงกําลังไปก่อนจากนั้น จึงได้วิปัสสนาญานในข้อสิบเจ็ดแล้วก็ข้อสิบแปดเมื่อได้วิปัสสนาญาทั้งสองระยะคือระยะอ่อนระยะกล้าแล้วก็ได้มัคคายาคือวิราคะแล้วก็โดยฉับพลันทันทีก็ได้วิมุติคือผลรยานเมื่อได้ผลรยานแล้วก็ได้ขยายากคือปัจเจเวกันหยญาญญาญพิจญาย้อนกลับนี่ก็เป็นอันว่าครบรอบของวิวัตตา เต็มกระบวนการแล้วก็เป็นพระโสดาบันหรือเป็นส ก, กตากามีหรือเป็นอนาคามีหรือเป็นพระอรหันต์ก็สมบูรณ์สูงสุดกันไปตรงนั้นเพราะฉะนั้นอเรื่องของฌานที่เป็นบาทแก่วิปัสสนาซึ่งผมนึกว่าผมควรจะต้องอธิบายสักหน่อยเนี่ยนะฮะที่ว่าฌานเป็นบาทแก่วิปัสสนานั้น เป็นด้วยอาการอย่างไรเป็นด้วยอาการอย่างไรนี่กำลังจะพูดถึงในสายของสมถียานิกมุตุวธรรมได้แต่ประโมด ป, ปีติปัสสิจนกระทั่งสุขและถึงสมาธิคือฌานที่บงเล็บ อ, อัปปนาเนี่ยไม่ใช่ว่าพอได้อัปปนาปับ๊บอัปปนานั่นเองโดยไม่ต้องทำอะไรอื่นวิปัสสนาญาณที่หนึ่งเกิดต่อเลย เกิดได้โดยไม่ไ ด, ด้กระดิกกระเดียดทำอะไรเลยได้ไหมไม่ได้ต้องมีการทำอะไรเพราะฉะนั้นไอ้ทำอะไรก่อนหน้าวิปัสนาญาณจะเกิดเนี่ยมันกลายเป็นว่าอารัตถวิปัสนาของพวกสมถะญาณิกมาแทรกอยู่ตรงนี้ระหว่างสมาธิคือฌานกับยถาภูตญาณัศตานะนะถ้าคนทำเป็นวิปัสนาญาณิกเลยก็เป็นกลุ่มอยู่ ตั้งแต่ประมดขึ้นมาถึงสมาธิที่อยู่ในวิปัสสนาเบื้องต้นยังไม่ได้ยานเลยตรงนั้นทีนี้กรณีของคนที่ได้ฌานมาก่อนแล้วก็มาอารัฐวิปัสสนาหลังจากออกจากอัปปนาสมาธิเนี่ยก็มีกรณีพิเศษถึงว่าขั้นตอนมันจะเยอะแต่ขั้นตอนเยอะในลักษณะนี้กลายเป็นเครื่องทุนแรง คืออย่างไรครับนี่อธิบายอย่างนี้ครับที่ว่าฌานเป็นบาทหนึ่งฌานนั้นที่ตัวได้เข้ามาแล้วแต่เป็นบาทเนี่ยหนึ่งเป็นสัปปายะคือให้ใ ห, ให้กว่าไอ้สัปปายะเป็นสัปปายะคือให้ความสะดวกสบายแก่บุคคลผู้ทําวิปัสนาหลังจากออกจากฌานสบายจริงๆถ้าถามว่า แล้วทำไมตามชานสบายสู้ก็สู้ไม่ได้ท่านถึงเรียกพวกนี้ว่าเป็นไม่ใช่สุขาวิปัสสกาสุขาวิปัสสกาเนี่ยจึงแปลว่าแหงแรงแหงแรงคือไม่ได้สัพปายะแล้วสัพปายะเนี่ยได้อย่างไรนี่ตรงนี้มันมีบทอิบายเยอะแต่ผมอธิบายสั้นๆให้เหมาะแก่เวลาพอคือหนึ่งใจก็ สัปปยะจริงไม่จริงไ อ, ไอ้ถ้าถามว่าใจไม่สัปปายะมันไม่สัปปายะเพราะอะไรตอบว่าเพราะนิวรณ์ฌานนี่เขาขมเขาอะไรมาเขาจนกรทั้งความอ่อนตัวความสลัสลวยเนี่ยลึกซึ้งมากเหมาะมากควรมากแก่การจะทําวิปัสสนาแล้วก็สองร่างกายสัปปายะไหมสัปปายะสัปะะสปายะทั้งโดยอิริยาบถคนที่ทําอิริยาบถนั่งเนี่ยถือว่าเป็นอิริยาบถ ท, ที่เหมาะที่สุดกับการทำวิปัสสนา นี่ผมไม่พูดเข้าสำหนักใดแล้วก็ไม่ได้พูดพฤติาการตำหนักใดพูดเอาหลักเหนื่อยนะเมื่อเทียบกับคนต้องไปเดินต้องไปคู่ต้องไปอะไรอย่างนี้นะสู้ไม่ได้เนี่ยมองในแง่อิยาบทเพราะว่าคนทําฌานเนี่ยจําเป็นต้องอยู่ในยาบทนะเพราะฌานมันมันบังคับนะโดยรูปแบบและสรีละทั้งหมดไม่ใช่นี่ไม่พูดในยาบทแล้วนะ ความโปร่งเบาของสตีละของวนได้ฌานนี่นี่ท่านปรานาไว้อย่างชัดเจนเลยว่าร่างกายของผู้ที่ทำฌานได้ฌานแล้วเนี่ยสุขทั้งกายและทั้งจิตเพราะฌานจะเกิดไม่ได้ในร่างกายที่ไม่เป็นสุขหนึ่งเข้าสู่บาสิตวังเลยจำได้มามสุภาสิตวังจิตรงอะไรจิตใจที่แจ่มใส ย, ยูนเดี๋ยวพูด ละจิตใจที่แจ่มใสอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงเนะี่ยแล้วก็เขาก็พูดอย่างนี้ทีนี้ไอ้ร่างกายที่แข็งแรงหรือที่แจ่มใสที่กระจ่างประเจงเนี่ยก็เป็นที่อาศัยของจิตใจที่มันเป็นเหตุเป็นผลกันอยู่เป็นงูกินหางกันอยูนี่ถ้าถ้าเป็นคนปฏิบัติเนะี่ยสังเกตรเราเห็นเลยครับพ่พอจิตใจดีเนี่ยมันถึงร่างกายเพราะร่างกายดีเนี่ยเออใจเราทําอะไรได้อย่างใจหน่อย ถ้ายังปวดยังเมื่อยยังขบยังอะไรอย่างงี้นะอย่างตกอยู่ภายใต้ที่ผลใจมันก็ก็ลอกกันแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นผู้ให้ความสบายให้ความสะดวกสบายนะก็ต้องเห็นทั้งสองใส่ไปทั้งสองอย่างสะดวกด้วยสบายด้วยสะดวกจากกิเลสสบายจากผลได้คือความกระจับกระเจงกวิการ ตั้งวิการฝ่ายนามวาิวิการหมายถึงความเบาความอ่อนความควรเนี่ยตั้งร่างกายจิตใจธรรมะจึงเป็นชื่อของความสุขครับเป็นความสุขอย่างชนิดที่ที่เรียกว่านิรามิสุขไม่ไม่ใช่สุขอย่างรงทวงหนักหนักสุขอย่างเราแวงเราแวงกลัวคนอื่นเข้ามาแย่งเหมือนอย่างสุขทางทางเนื้อทางหนังไอ้นี่นะไม่ใช่กลัวมาแย่งนะ ถึงจะแย่งก็แย่งไม่ได้และทั้งที่อยากสุขแล้วกลับกลายมาอยากยาให้เขาได้อยากจะไปเที่ยวยกคนคนนี้นก็ยกไม่ได้จนใจตรงนี้แหละครับบางคนทำไมอยากจะตกนรกแทนลูกก็เอาถ้าจะเอาธรรมะเอาบุญออกไปให้ให้ลูกรักลูกมากนลยนะห่วงไปถึงอย่างนั้นกระพูดกั น, นกลงกระพูดกันไปอย่างนั้นแหละก็ทำไม่ได้หรอกแล้วก็ออมอย่างอีกอย่างหนึ่งคือให้พลังให้พลัง พลังเนี่ยคือที่เราเรียกว่าพลังใจอย่างว่าศรัท ธ, ธาภละวิริยะวิริยะสติสมาธิปัญญาในฌานเขาก็มีนะเขามีและนั่นคือเป็นพลังที่จะผลักดันทําให้เกิดพลังอย่างเปลี่ยนรูปมาเป็นวิปัสสนาจะมีพลังเข้มแข็งมากเพราะฉะนั้นคนสองคนผมยกตัวอย่างให้ถึงเราจะหาตัวตนมาอ้างถึง ถ้เห็นกันในดีไม่ได้เอาสมมุติว่าคนหนึ่งเนี่ยได้ฌานแล้วคนหนึ่งมาจากชาวบ้านเอี่ยมมาเลยเงี้ยนะมาจากชาวบ้านผู้ครองเรือนเอี่ยมมามาสู่สำนักสองคนที่มีศรัทธาตั้งใจจะทํากรรมฐานคือวิปัสนาองค์ได้ฌานมาก็อยากรู้ว่าวิปัสนาอะไรตัวไม่ใช่วิปัสนาคนอีกคนก็ยเบื่อสงสารแต่ยังไม่ได้ฌานใหม่เอี่ยมมาจากบ้าน สุสานักนี่จะทําก็สองสามว่าสองคนเนี่ยใครจะอ่อนแอท้อถอยได้ง่ายกว่ากันใครจะเข้มแข็งเอาจริงเอาจังกว่ากันเห็นหน้าแล้วก็เข้าวัดรู้แล้วใช่ไหมเพราคนลงเคยผ่านงานมาแล้วเนี่ยเอาแค่ผ่านงานมาก่อนถ่วยได้ทังเยอะแล้วนี่ยังทํางานขั้นหนึ่งสําเร็จมาแล้วแต่อีกคนหนึ่งบางทีศีลก็ยังไม่ได้กรบมาจากบ้านน่ะ ไอ้ t h i ยิ่งหนักใหญ่เลยคนได้ฌานก็ต้องมีสีหนึ่งเข้ามาเป็นปัจจัยแก่ฌานหนุนมาเพียงพอแล้วพลังก็มาเพราะนั้นพวกนี้พอมาทําแล้วก็เอาจริงครับแล้วก็อันหนึ่งที่ผมอยากจะพูดด้วยก็คือว่าไอ้พลังเนี่ยมันไม่ใช่แค่พลังเอื้ออํานวยแก่ทำมันยังเป็นพลังทําไอ้สิ่งที่ไม่เป็นสะะับพยาลายรอบเนี่ยให้กลายเป็นดับพยะด้วย ยกตัวอย่างเช่นว่าทําศัตรูให้กลายเป็นไอ้ที่นั่งที่ไหนที่ว่าคนไม่ได้ชานนั่งไม่ได้คนได้ชานนั่งได้ไอ้ที่ว่าร้อนร้อนเนี่ยแดดสองคนไม่ได้ชานทนไม่ไหวคนได้ชานทนไหวนะกินอาหารดังนี้คนไม่ได้ชานแล้วกินแล้วท้องอืดกาดคล่องอย่างโน่นอย่างนี้คนได้ชานกินแล้วเกลียบหมดนะบอกว่าไอ้ไอ้ขาดไฟมันเผาหวานได้บ่กอาหารบางอย่างเนี่ยคนไม่ได้สมาบัติแปดกินแล้วไม่ย่อย นะอย่างพวกอาหารที่เขาปรุงตามรัศยานเวทเนี่ยถ้าเป็นคนได้สมาบัติถึงจะกินได้ย่อยด้นะเนี่ยพวกนี้เขาเรียกว่ามีเครื่องมือเยอะมีพลังเยอะแล้วก็ถ้ามาอยู่สมมติไปอยู่ไปปฏิบัติป่าเองมีชานเป็นมีชานเป็นทุนเนี่ยแค่มีชานในคนก็อยากจะใส่บาเนลย่ยเทวดาก็ต้องดูแลแล้วใช่ไหมละ่ะ แล้วก็ถ้าจะมีอามนุษย์เบียดเบียนเนี่ยอย่าง ท, ที่ที่เขียนแตกไวในเอกสารชุดันสองร้อยแปดมีตอนนีเเ้เอาเรื่องเมตามาใส่ให้ดูเป็นตัวอย่างว่าถ้าผู้ที่มีฌานมีเมตตาเจโตวิมุตถ้าจะแผ่เมตตาเนี่ยอามนุษย์สัตายผู้ปองไลใดๆทำอันตรายไม่ได้ทันว่าเลย แล้วก็เปรียบเทียบไว้เลยว่าบางสูตรก็เปรียบเทียบเหมือนครอบครัวที่มีแต่ผู้หญิงเนี่ยก็ถูกโจนทาลายได้ง่ายพระโจนมันไม่ใช่ผู้หญิงโจนเป็นผู้ชายนะฮะหรือบางทีเปรียบเทียบเหมือนกับบุคคลผู้มีกำลังจะพึงหักง อ, อมีดให้งอเหมือนกับงอพลาสติกงอญ่านี่ บุรุษนั้นก็จะได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนอย่างสาหาัสแล้วก็ทําไม่ได้ น, นี่ท่านกำลังจะอธิบายถึงตะบะนั้นชาญจึงอํานวยความสะดวกหลายอย่างจริงไหมฮะนี่เขาเรียกว่าทุนดีนะฮะทุนดีแต่ไม่ใช่ทุนทางทุนทรัพย์เป็นคนมีทุนดีไม่ใช่ทุนในเชิงวิบากด้วยแต่เป็นทุนในเชิงจริยธรรม เพเชิงคุณธรรมเพื่อต่อคุณธรรมที่สูงกว่านี่ก็เลยเราจับหลักได้อันหนึ่งว่าไอ้เวลาปฏิบัติธรรมมันต้องมีทุนเนี่ยทั้งในทางวัตถุก็เป็นทุนด้วยในพูดอย่างเราแล้วก็ทุนไอ้ทางวัตถุนมันรับรองอะไรไม่ได้ไม่ใช่ว่าคุณมีเงินในบัญชีสิบล้านแล้วผมไม่มีสักล้านไปเข้ากรรมฐานอาจารย์ขอตำรวจดูบัญชีเนี้ธนาคารอ่อคนนี้สบล้านเหรอเอาไปเลยยานที่แปด ไอ้ น, นี่มีแค่พันเดียวเอาแค่ขมริวอนได้ไปฟางๆก่อนมันไม่ใช่อย่างนั้นเขาก็ประเมินกันด้วยอํานาจทุนทางคุณธรรมที่พอคนได้ทุนทางคุณธรรมแล้วเนี่ยนี่นี่ก็มีพระสูต ร, รบอกเองนะว่าเมื่ อ, อปรารถนาว่าจากไม่ผุดเคืองด้วยปัจจัยสี่เนี่ยก็จะได้สมปรารถนาเนี่ยจากฌานจากศีลนะะ เมื่อปราถนาว่าจากสร้างภูมิอดทนต่อความหนาวความร้อนอะไรที่คนปฏิบัติทำมันต้องต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้หรือเป็นบทกอันหนึ่งด้วยและยิ่งไปอยู่ป่ายอยู่เกาเนี่ยมีเรื่องต้องทนเยอะก็จะได้สิ่งเหล่านี้โดยง่ายโดยไม่ยากซึ่งจะผิดกับคนที่ไม่มีพื้นฐานก็เลยตกลงทุกอย่างศีลและฌานที่บุคคลได้ เป็นบาทให้ด้วยประการ น, นี้ก็องคจะพูดอตรงนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วก็ก็จะยังไม่จบทีนี้ทีเดียวขอให้ไปดูประมาณนิดหนึ่งอันนี้ก็ง่ายแหละแต่ว่าที่อยากจะพูดถึงเนี่ยว่าพระพุทธเจ้าในท่านเก่งนี่ท่านกําลังอธิบายถึงต้นน้ํำลำาําธารตามแบบที่ท่านพูดอย่างสมัยก่อน เป็นอย่างๆไปเป็นภาพพจน์ที่ชัดเจนมากกว่าไอ้ต้นน้ําลําทานเนี่ยมันเกิดจากอะไรมีอะไรเป็นที่มาใหญ่อะไรเป็นอห่วงน้ําใหญ่ที่สุดสําคัญที่ในพระสูตรเราเคยพูดมาแล้วว่าท่านยกให้ฝนนะฝนเนี่สําคัญที่สุดแล้วทําไมถึงไม่ยกให้ทะเลเพราะฝนเนี่ยมันเอื้อทั้งทะเลเอื้อทั้งไม่ใช่ทะเลใช่ไหมฮะ อ่าท่านก็ยกให้ไอ้สมุทรธานอันนี้เป็นเป็นเป็นสําคัญและไอ้ไอ้เม็ดฝนเนี่ยมันก็มาจากทั้งที่ไม่ใช่ทะเลทั้งที่ทะเลฝนก็ต้องเก่งกว่ทะเลใหญ่กว่าทะเลฝนไปตกกัทะเลมีท่าอะไรแม่น้ําใหญ่น้อยมีท่าอะไระถ้ามันเกิดจะเล่นตัวไม่ตกขึ้นมาแต่เกิดจะใจดีตกขึ้นมาอย่างตอนนี้เราก็กลัวเหมือน นี่ขนาดโอ้โหบางทีเราก็นึกนะนี่ก็นึกเล่นๆนะเพราะนี่พอเขียนสูตรนี้แม้ฝนมันเอาเอาที่ไหนมาตกก็นักหนาสารับนับหาไปทวนแล้วฝนเนี่ยเดี๋ยวก็ลูกนั้นมาเดี๋ยวก็ลูกนี้นะมามันเอาน้ําไปเที่ยวซุกซ่อนไว้ดี่ไหนนะมันถึงตกได้ตกดีแล้วไม่ใช่แค่ทวมประเทศไทยประเทศเดียวต่างตั้งหลายประเทศกันทวมแอนฝนนี่เก่งไม่จะเล่นสงสยัยฝนมาจากนอกโลก มาจากนอกจักรวาลนี่ก็ไม่รู้นะไอันนี่ก็คิดเล่ๆเลนๆแต่นั้นแหละอา่าเมื่อฝนตกก็ผ่านห้วยและแหงอันนี้ท่านกํำล่ายจากตกถ้าจบจากเบื้องบนเนี่ยก็ไอ้ตกทะเลก็ส่วนหนึ่งแต่นี้ท่านกําลังจ ะ, ะแสดงไอ้การไหลของมันมาจากตกวนยอดเขาแล้วก็ไหลมาตามซอกเล็กซอกน้อยมันเต็มจากสายฝนมาจากนอกโลกมามาจากนอกจักรวาลก็ไม่รู้นะไอันนี่ก็คิดเ ล, เล่นๆแต่นั้นแหละ เมื่อฝนตกก็ผ่านห้วยระแหงอันนี้ท่านกํำไล่จากตกถ้าจกจากเบื้องบนเนี่ยเกิดตกทะเลก็ส่วนหนึ่งแต่นี่ท่านกําลังจ ะ, ะแสดงไอการไหลของมันมาจากตกฝนของสายฝนมาจากนอกโลกมามาจากนอกจักรกวาลไม่รู้นะอันนี้ก็คิดเล่นๆดังนั้นแหละเมื่อฝนต ก, กก็ผ่านห้วยระแหงอันนี้ท่านกํำไล่จาก ตกถ้าจบจากเบื้องบนเนี่ยก็ไอ้ตกทะเลก็ส่วนหนึ่งแต่นี่ท่านกําลังจ ะ, ะแสดงไอ้การไหลของมันมาจากตกบนยอดเขาแล้วก็ไหลมาตามซอกเล็กซอกน้อยมันเต็มจากแอ่งน้ําเล็กล้นมาตูแอ่งน้ําที่ใหญ่กว่าแอ่งน้ําใหญ่กว่าล้นไหลลงมาสูแอ่งน้ําแหล่งน้ำที่ใหญ่กว่าใหญ่กว่าใหญ่กว่าจนมาตันที่ใหญ่ที่สุดคือทะเลอันนี้ก็ต้องการจะเทียบให้ว่าไอ้เราเนี่ยเราเริ่มต้นจาก เล็กไปหาใหญ่นะเอาเงีงแค่นี้ก็แล้วกันจากเล็กไปหาใหญ่ไม่ใช่จากใหญ่ไปหาเล็กใหญ่ไปหาเล็กนะมันมันกลายเป็นหมดตัวแล้วหรือหมดบุญแล้วสูตรนี้ก็จบเท่านี้นะครับ